บุกทูสิบสองด้วเยสเปรจเครื่องดื่มบอตูบอตูรีดิฉันดื่มชาคา่ะเยวเบอยวเบอช ดิฉันดื่มกาแฟค่ะเอวเบลกาฟเวบกาแฟดิฉันดื่มน้ำแร่ค่ะเอวเบลอปเปรมินเวรลคุณดื่มชาใสา่มะนาวไหมคะบยชาอีคุลามุ่เบอ คุณดื่มกาแฟใส่น ah ้ำตาลไหมคะเบ์กาแฟกูยอาหคุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะเบยร์กอบอเปอรมีงานเลี้ยงที่นี่อจ์ e ยส ตเ ค, เคนกำลังดื่มแชมเปญวา ม, นบบมีนีบลแ n i ปานีวบคนกำลังดื่มไวน์และเบียร์วามนีเบลวินชิเบรวามีนีเบลวินชิเบรคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะ เบยอลกอล์บอลกลคุณดื่มวิสกี้ไหมคะเบยวิสกี้บกคุณดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหมคะเบยโคลาคูรมบยลาครมดิฉันไม่ชอบแชมเปญเมียนุ ไม่ชอบไวน์ไม่ชอบเบียไม่ชอบเบร่าเด็กอ่อนชอบดื่มนม b e b e l u ș u l u i î i place laptele. b e b e l u ș u l u i î i place laptele. Dec, ș a p t î m cocoa ș năm a p p l copilului î i place cacao și sucul de mere. copilului î i place cacao și sucul de mere. Puii n șobtăm n a m s o m le n a m c l e f r u t Femeii îi place sucul de portocale și cel de grapefruit. Femeii place sucul de portocale și cel de grapefruit.